พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่17สิงหาคม2556มีชื่อเรื่องว่าเกิดเป็นคนควรเคารพกัน มือ่อเอินตอนเช้าคุณนายผู้ว่าเพิ่งจะมา ต, ตักบาทนาพวกเขานะคุณนายผู้ว่าอูรอวันเกิดของเพิ่งเพิ่งจะมา ต, ตักบาทใช้บาทรวมกระเป๋าเบิงเบิงนะชอยๆกันเบิงสถานที่ของเพิ่งกลุ่มของเพิน่นเป็นตาคู่บา ท, ทั้งหลายเป็นตาเอาผ่าเขา ไปปูปูกระดัผ่าขาว้องพูดประยักษ์ปูโตกรต้องเอาโตขาวไปดอกมันขนยา ย, ยากโตอันั่นละเพี้ยแต่เอาปูผ่าขาวปูให้สะอาดนั่นะพ่อแล้วก็เบิงเบิงซอยกันเบิงเปืนมาทำปุญวันเกิดของพุน่นคุณนายท่านผู้ว่ามาสีบบสิบบหมาอยู่บอ่อ แต่ว่าทําบุญคุณนายท่านผู้ว่านะแล้วก็เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะได้เฝ้าไปบ้านตาดขึ้นกันตอนเที่ยงประมาณทิบโมงจะเขืยย่อนใหญ่ศพคุณแม่จันดีลงไปสู่เมนมาแล้วก็จะได้มีทําพิธีสวด มาติกาบังสกุลเทียมะม่านวายโมงหมืออื่นวันอาทิตย์จะมีการประชุมเพิ่งคุณแม่จันดีน้องสาวของหลวงตามหาบัวของเฮานะวัดปาบันตาดคงจะเป็นงานใหญ่ยกคงจะเป็นงานใหญ่ยกนัขอให้ผู้ใดเอศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ใดจะไปรวมงานเพินกระได แต่หลวงพ่อคงจะไปตอนใช้สายพอแล้วงานพี่ละเพราะผู้ว่าเพิ่นมาแหละกจะจิไปละเมื่อวันที่สิบแปดนะสิบแปดตอนเช้าวันที่สิบแปดจะมีการไปฉันอยู่วัดหลวงพว่อคุ้นนะสุมเมธโธเป็นวันคบรบ่อยวันของเพิ่น เปมรณภาพแล้วก็บมือแร้งมือนียมีเป็นการมีการสวดมอนตอ์จุดวัดหลวงพ่อคูณหลวงพ่อก็คงจะไปไปสวดมนต์เย็นมือเนียจุกจักแล้วก็คงจะได้มีอย่างจะได้ไประชุมหารือกันมั้งเกี่ยวกับเจดีแต่เงี้ยบ้าจังสันล่ะสรุปแล้วก็คือวันที่วันที่แเนี่ยวันที่สินี่ย มืออื่นหลวงพ่อตั้งคุณได้ผู้ว่าก็มาไซบาทแล้วกันในมณฑลหลวงพ่อไปฉันวัดผู้ดินพอฉันแล้วก็จะไปงานคุณแม่จันดีมีแต่งานใหญ่ๆงานสร้างวัดพวกเขาจะคิดอย่างไรวันตท่านผู้ว่าก็บที่มาไซบาท คุณนายผัวกับเจะมาใส่บาตอยู่บ้องนี่แล้วก็พร้อมกันกันหลวงพ่อจะได้ไปชันอยู่บ้านผืออเอกปันเนี่ยเอีอยกว่าซับส้อนพอสมควรหลวงพ่อก็ต้องหลวงพอกางจ้างก็ต้องตัดทิมงานนึงแหละแล้วก็จะบ่ได้ไปไม่ไ <c oughs> ด้ไปชันงานหลวงพ่อคูณอื่นกงจะชันอยู่นี่แหละ ฉันจะวัดเฮาเพราะฉันแล้วก็จะออกเดินทางละ่ะออกเดินทางไปงานของคุณแม่จันดีคุณย่ายวันนี้เป็นวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันเสาร์ขึ้น11 11ค่ำเดือนเก้า ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาวัดต่างๆไปกราบคารวะครูบาอาจารย์อย่างวัดเรานะก็ไปหลายวัดแหละปีนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวช่วงเดือนที่สองนะเดือนที่สามคงจะให้ครูบา้าที่วัดของเราไปคารวะครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นอุปชาอาจารย์ เพื่อจะได้เรียนรู้เพื่อการศึกษาเพราะลูกหลานบวชเข้ามาก็ยังไม่ได้ไปครวะกครูบายจารย์เลยลก็ไม่รู้วิธีการไปทาวัดนะคำว่าทาวัดคำนี้ก็คือไปการาบครวะมุดน้ำดำหัวพะระเถระในท้องถิ่นที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใส อันนี้ก็คือในพรรษาแต่ออกพรรษาแล้วก็ไม่ละไม่ได้ทํากันแต่ในระยะพรรษาด้วยจวนจะเข้าพรรษาเนี่ยต้องไปกราบครับครูบาอาจารย์เป็นประเพณีของพระกรรมฐานถือกันมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะถื อ, อพระกรรมฐานถืออาวุโสเนี่ย ถืออาวุโสผู้มีอาวุโสเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นเวลาในท้องถิ่นเขตนี้โดยมากพระกรรมฐานถ้าจะว่าไปแล้วในท้องถิ่นอำเภอนายุงน้ำโสมธรรมยุทธ์นะหลวงพ่อจะมีอายุพรรษา ม, มากกว่าเพื่อนทั้งหมดนะลูกหลานนะช่วงนี้นะ แต่แตะบ้านผือน ค, อคือลุงปู่บนมีที่มีอายุพรรษาลุงปู่นูหยาิที่มีอายุพรรษามากแต่อำเภอนามโสมนายุงสองอาเภอหลวงพ่อมีอายุพรรษามากกว่าเพื่อนแต่นั้นเพราะนั้นจึงมีพระมากราบคารวะเป็นระลอกระลอกทั้งอำเภอสีเชียงใหม่ทั้งบ้านผือนายุง จะเป็นอำเภออำเภอมากราบคารวะครูบาจารย์อันนี้คือเป็นประเพณีไม่ใช่ของแปลกสรุปแล้ว ค, คือไม่ใช่ของแปลกเป็นประเพณีสาหรับพระ ผ, ผูน้อยไปกราบคารวะพระผู้ใหญ่ถ้าหาว่าเราไม่ทําอย่างนี้ไม่เป็นไม่มีประเพณีอย่างนี้ต่อไปภายภาคหน้าต่างองค์ก็ต่างแข่งใครแข่งเราไม่ ยอมกลาวคารวะครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนและเป็นยังไงผลที่สุดก็ทำให้เสียหายในวงนพระเพราะว่าเรื่องนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าเคยมีมาแล้วในครั้งพุทธการพระสงฆ์อยู่ในวัดป่าเชตวันมหาวิหารต่างองค์ก็ต่างอยู่ไม่เคารพกัน เพอร์เพอรยังพระผู้น้อยยังอาหาวัดตูถูกพระที่มีอายุพรรษามากกว่าว่าเป็นผู้เงอะงะเยลักษณะอย่างนั้นอ่ะอตัวเองถ้าเป็นคราวาสเมื่อเป็นคราวาสกันะได้รับตําแหน่งหน้าที่สูงกว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนมากกว่าอาพระเหล่านี้เข้ามาแล้วเ อ, อะไรก็ไม่รู้ แต่นี้พระน้อยกับกระด้างกระเดืองไม่แสดงความเคารพพระผู้ใหญ่แต่นี้พอต่อมาการปกครองก็ยากเพออราะเหตุใดเพราะว่าพระไม่เคารพกันพระพุทธเจ้าท่านพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็น่าจะซักไซไล่เลียงถามดู ผลในสุดท่านก็เลยยกประเด็นพระติดสะที่เป็นพระญาติพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าเพิ่งบวชมาใหม่แล้วไปนั่งอยู่ที่ศาลาเอเตเอดูๆแล้วก็เหมือนกับพระมหาเทระผู้ใหญ่เพราะพลบวชอายุแกนะลักษณะท่าทางแต่มันไม่แก่จริงเลยที่เพิ่งบวชใหม่ แต่ลักษณะนั้นท่าท่าน่เหมือนกับพระมีอายุพรรษาผลที่สุดพระเถระผู้ใหญ่มาจากต่างถิน่นเห็นท่านนั่งอยู่บนอาสนะพระเถระก็เข้าไปกราบเห็นว่าท่านเป็นเหมือนกับพระผู้ใหญ่นั่งตำแหน่งพระผู้ใหญ่พระที่มาจากต่างถิน่นก็เข้ามากราบประการถามเสียด้ว่าท่านมีอายุพรรษาเท่าไหร่ผมยังไม่ได้พรรษาครับ เท่านั้นแหละพระที่มีอายุพรรษากรเตเพิ่ดเลยท่านท่านมานั่งอยู่ตังทำไมตรงนี้ท่านไม่ยังไม่ได้พรรษาท่านทํายังไม่รู้จักสถานะของตนเองท่านทําได้ยังไงเนี่ยเขาขู่ท่านเลยขูเอาพวกท่านไม่ต้องมาขู่ผมหรอกผมเป็นใครมาเลยแอบวดจักรดา ข, ขึ้นมาเพราะท่านเป็นเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจ้าในกรุงกบิลพัทไะ พระสงฆ์จะเป็นเชื้อของใครก็เถอะท่านเพิ่งบวชีว่โพนิสุกเลยร้องให้โบยวายไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าเออทำไมเธอร้องให้ทำไมพูดเรื่องความจริงให้ฟังพระองค์บอกว่ามันถูกแล้วที่เขาทำอย่างนั้นน่ะเนี่ยแหละอันนีค้คือสาเหตุหนึ่งพระในครั้งพุทธกาลจากนั้นพวกองค์ก็พวกท่านทั้งหลาย เป็นพระเป็นพระบวชในศาสนาของเราตถาคตเป็นผู้ฝึกฝนต่อศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมหวังมรรคผลนิพพานแต่พวกท่านทั้งหลายทําไมจึงไม่เคารพกันจึงไม่ให้เกียรติกันขนาดเราเป็นสัตว์ที่ไรฉานเรายังให้เกียรติเรายังเคารพกันแต่พวกท่านเป็นพระภิกษุ อุทิศตนต่อพระพุทธศาสนาะต่อเราตถาคตเราตถาคตก็สอนเพื่อมักเพื่อผลเพื่อความพ้นทุกข์เรื่องทิฏฐิมานะต่างๆเราให้ถอดทิ้งสละทิ้งหมดแต่พวกท่านทั้งหลายจึงมาทําไมจึงวางตัวไม่ถูกพระพุทธองค์ประนามประนามพระสงฆ์พระสง์ก็ได้ยินว่าขนาดเรา เกิดเป็นสัติราชานยังเคารพกันพระสงฆ์ก็ถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นสัตติราชานยังเคารพกันพระองค์ก็อธิบายเรื่องนี่แหละเรื่องนกกรทาเรื่องลิงแล้ก็เรื่องช้างอยู่ในป่าอยู่ในป่าดงคือนกกรทาก็หาคุยเขียหาอาหาร ลิงก็ไปขย่าวต้นไม้อะไรนะนกกระทาก็ได้กินต้นไม้พวกช้างก็อยู่ในละแวกนั้นก็เห็นกันบ่อยจนเป็นที่ยอมรับกันรักเคารพกันสัตว์สามประเภทช้างลิงนกกระทาแต่นี้พออยู่ไปกไปไปที่ไหนกับไปด้วยกัน ทั้งสัตว์ทั้งสามตัวมันคงจะเป็นบุปกรรมเก่าในอดีตชาตินะั่ะพอเห็นกันแล้วก็มองกันแล้วก็เข้าตากันรักกันเมตตากันพึ่งพาอาศัยกันอันนี้คือสัตว์ที่เคยทํากรรมดีมาด้วยกันเคยเป็นญาติโกโหติกากันมาก่อนแต่ถ้าว่าเป็นอริศัตรูกันแล้วก็พอเห็นกันแล้วก็คงจะ แขวงกันนั่นอันนั้นคือสรตวสัตว์ทั้งหลายแต่นี้สัตว์ทั้งสามตัวนั่นได้ทําความดีมาในอดีตชาติพอมาเจอกันก็รักเมตตากันแต่นี้พอคุ้นเคยกันแล้วก็ไม่รู้ใครจะเคารพใครเพราะว่าสัตว์สามตัวเ น, นเห็นกันก็เลยถามขึ้นว่าพวกเราทั้งสามเนี่ยใครเกิดก่อนกันวะ จะได้แสดงความเคารพกันกรณไปพูดกันอยู่ต้นไทรมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งเป็นออกดอกออกผลและอยู่ต้นไทรอยู่ร่มต้นไทรนกกระทาก็าบอกว่าสมัยก่อนข้ามีเห็นต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งอยู่นทางเทศนั้นแหละข้าได้ไปกินลูกไทรแต่แถวนี้ยังไม่มีนะต้นไทรตันนี้ยังไม่มีที่เราอยู่ อยู่ในร่มนะยังไม่มีแต่เราได้ไปกินต้นไทรต้นนวดละ่ะจากนั้นเราก็ได้มาคุ้ยเขี่ยหาอาหารแถวเนต่ะเรามั่นใจว่าเราได้ถ่ายอุจจาระลงในละแวกนี้ต้นไทรตัวนี้ก็เกิดขึ้นมามันก็เป็นพันเดียวกับต้นนั้นอีกมันเป็นพันเดียวกับต้นที่เราไปกินมาไนกกระทาบอกเราจึงมั่นใจว่า ต้นไสต้นนี้นะมันเกิดจากอุจจาระของเรานะกับมวนกับเราไปทานพริกทานเขืออย่างนั้นนะบางทีเราไปไทยมันยังออกพริกออกเขือนนะมันไม่ไม่ละลายนะมันยังเกิดได้นะแต่นี้ทางลิงเขาบอกว่ามสมัยผมหากินกับแม่ในมาในละแวกนี้นะ ต้นไทรตัวนี้นะผมเคยได้กินยอดมันอยู่เออได้กินยอดไทรตัวเนี้ในหะ้ข้าว่าจะยืนสองขาแล้วก็กินยอดมันกินยอดไทรตัวนี้เออต้นไทรตัวนี้ยังเล็กๆอยู่สมัยผมมาโตมามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต่างชางก็บอกว่าอืมต้นไทรตัวนี้สมัยผมมาหากินกับแม่ต้นไทรตัวนี้นะ่ะเพียงสีข้างของผมเออ ประมาณนีละละสีข้างของผมที่เดินผ่านมาตน้นไทรต้นนี้ก็เลยเป็นอันว่าสัตว์ทั้งสามประเภทเนี่ยก็เลยตกเห็นพร้องต้องกันว่านกกระทาเนี่ยไปกินตน้นไทรแล้วก็มาถ่ายนี่ก็จึงเกิดตน้นไทรต้นนี้ขึ้น ต, ตัวลิงก็มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยืนชันแงสองขาขึ้นไปกินยอดตน้นไทรแล้วก็ช้าง มาหากินกับแม่มันละสีข้างของช้างของลูกช้างก็แสดงว่าต้นไม้ต้นไทรทใหญ่ขึ้นมาพอสมควรแล้วก็เป็นอันว่าให้นกกระทาเป็นพี่ใหญ่ยกให้นกกระทาเป็นพี่ใหญ่เพราะเกิดก่อนอตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาแหละทั้งช้างก็ดีทั้งลิงก็ดีไปด้วยกันหากินด้วยกันทั้งสามทั้งนกกระทาทั้งลิงทั้งช้าง ก็แสดงความเคารพกันเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันพอเห็นกันคล้ายๆถ้าเป็นลิงก็ยกมือไหว้นกกระทาลักษณะนั้นนกกระทาที่เป็นนกประงกห์รับมือไหว้ของนกกระทาใช่ไหมทางช้างไปเห็นนกกระทาเนี่ยคงจะแสดงความกนตถอดสายบัวลักษณะอย่างนั้นทางลิงก็เหมือนกันช้างเห็นลิงก็แสดงความเคารพ เคารพตามขั้นตอนกันนี่แหละในชาตินั้นซัดทั้งสมตัวอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขเพราะเคารพซึ่งกันและกันไม่ก้าวไก่กันจากนั้นช้างนกกระทาแล้ว ก, ก็เป็นผู้แนะนําสั่งสอนพวกกลิงพวกช้างนี่แหละชาตินั้นคือเราได้เป็นนกกระทาพระพุทธเจ้า เราไ้เสวยชาติเป็นนกกระทานภาษาไรบุตรได้เป็นเร่งพระโมกคาลาได้เป็นช้างสมัยนั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันพอเห็นกันแล้วก็รักเมตตาสงสารกันถ้าว่าเป็นกลุ่มเทวทัตเข้ามาแลยก็พอเห็นกันแล้วก็คงจะขวางกันเนี่ยเป็นอริเป็นศัตรูกันเลย ในพระไตรปิฎกถ้าเราได้ศึกษาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นกว่านั้นสรุปแล้วก็คือบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายให้มีความเคารพสึ่งกันละกันอย่าไปตีเสมอปราศตีเสมอไม่ดีแต่ผู้ที่พอที่จะเป็นเียกพี่ป่าน้าอ า, อาป่าลุงพี่น้องก็ให้เคารพสิทธิ่งกันละกันถ้าเราทาได้อย่างนี้ เราไปอยู่นสถานที่ใดไปอยู่กับคนชุมชนกลุ่มใดถ้ารู้จักวางตัวนะการละเทศะบุคคลถ้าเรารู้จักวางตัวความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มนั้นๆแต่ถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักการวางตัวไปที่ไหนคว้างเขาเอ่อมีแต่อวดความรู้ความฉลาดอวดศักดิ์อวดสี ให้กับใครอื่นนั่นแหละเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ขวางเขาเขาเห็นเขาก็หมั่นไส้อีกเหมือนกันพอหมั่นไส้ขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องอะอรกันแกล้งผลใ้สุูทรขึ้นมีเรื่องจนได้นะคนหาเรื่องผลใ้สุกแตกทะเลาะพิบาทกันนะเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงว่าการอยู่ด้วยกันถึงจะมากมายขนาดไหน ก็ให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขมองกันในแง่เหตุผลอย่ามองกันในแง่ร้ายในแง่เหตุผลก็คือคนเราเกิดมาเนี่ยบางทีอย่างวันนี้แต่ก่อนๆหน้านี้เขาก็ยิ้มแย้มแจมใสหน้าตาเบิกบานพูดจาพาทีอะไรก็ดีแต่วันนี้ทาไมจึงหน้าบูดโมโหโกธาขึ้นมาหน้าไม่ หน้าไม่บอกบุญเลยทำไมเราจะไปถือโทษโกรธเคืองวันนั้นก็ไม่ได้เพราะวันอื่นๆเขาดีอยู่แต่วันนี้เขาทำไมเราก็ไม่ควรจะถามเขาเพราะเขามีอารมณ์บูดบางทีเขาอาจจะได้รับคำไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ได้ในช่วงนั้นเขาก็เลยอารมณ์โมโหโกธาอยู่ในใจิตในใจของเขาเราก็ต้องมองอีกอ ในช่ว์นี้เขาอารมณ์ไม่ดีเราก็ควรจะไม่ควรจะไปตอแย่ไปอะไรอะไรกับเขาเน่ยแหละคือมองคนในแง่เหตุผลเหตุผลก็คืออะไรบางทีเขาอาจจะได้รับกระทบกระเทือนมาทางด้านจิตใจเขาจะไปยิ้มแย้ ม, แ, ยมแกมแสออกได้อย่างไรเราก็ต้องมองเน่แหละมองเหตุผลของเขาแต่ละคนถ้าพวกเรารู้จักการวางตัวเริ่มมองคนในแง่ดี อย่าไปมองคนในแง่ร้ายนะถ้ามองในแง่ร้ายเนะนี่ยทําไมคนคนนี้ตะกอนใจดีแต่เท่านี้มันโกรธให้เราหรือเปล่าเนี่นิสัยอย่างนี้ใช้ไม่ได้หน้าบูดหน้าบืองอย่างนี้เ อ, อมาเข้ากับพวกเรากับหมู่กับเพื่อนตะกอนเป็นอย่างหนึ่งวันนี้เป็นอย่างหนึ่งนะอันนั้นแหละมองคนในแง่ ร, านะรา้ายพอเงินแม่ร้ายหรอก็วางกันอในเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาเกิดเรื่องขึ้นมาจนได้ น, ะนี่แหละ ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าการเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลควรจะวางตนอย่างไรกั บ, เ ข, กบนนเข้ากับชุมชนนี้นี้กับเข้ากับชุมชนนั้นๆกับบุคคลกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นนี่แหละถ้าพวกเราวางตัวถูกเราไปนัดสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขทุ่นหน้ากันอันนี้ก็คือการอยู่ในชุมชนและสังคมแต่ส่วนด้านจิตใจของพวกเรานะอีกส่วนหนึ่ง เราคิดยังไงจึงจะคิดถูกเราคิดยังไงคิดผิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเป็นหลักถ้าว่าเราคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาคิดผิดการกระทําออกไปก็ผิดการพูดออกไปก็ผิดพเรพราะเหตุอะไรเพราะใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดถ้าว่าใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูก ตามทำนองครองทำการพูดออกไปก็ทุกการกระทําออกไปก็ทุกนี่แหละเราจะเอาอะไรเราก็ต้องศึกษาศึกษาอะไ ร, ร, ระศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะทำคาสอนของพระพุทธจเจ้าอย่างพวกเราเนะี่ยอย่งอาศัยได้ยินได้ฟังอย่างวันนี้ขณะนี้แนหะละหลวงพ่อพูดให้ฟังนะอันไหนผิดอันไหนถูกเราควรจะดูรู้ได้ว่าอ เราวางตัวอย่างไรในชุมชนและสังคมอันนั้นแหะเป็นถ้าคิดให้ถูกต้องแล้วนะั้นอันนั้นแหะคือสัมมาทิฏฐิควรจะรู้จักคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงพี่ป้าน้าอาเป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงมิตรสหายเป็นยังไงลูกน้องบริวาลเป็นยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือคิดคิดให้รู้จักรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักสิ่งควรไม่ควร อันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งและสัมมาทิฏฐิในระดับต่อไปก็คือเห็นความเกิดความเสื่อมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมรรคเห็นผลการบาเพ็ญทางด้านจิตใจบาเพ็ญสินสมาธิปัญญาบาเพ็ญสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละอันนั้นก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรจะเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิแบบละเอียด จนถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรวาจาคำบรรทุกอาชีว ว, วายมวสติสมาธิเข้าคายมักแปดนั่นแหะอันนั้นคือสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงจากนั้นให้ชำระกายให้ชําระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลสโรคโลคโกรธหลงราคะโทสะโมหะออกจากกิจใจเป็นไปด้วยสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าวคิดผิดแล้วแก้ไม่ได้เราแกกกิเลส จะแก้ได้ยังไงมิถะถลําลึกไปเรื่อยๆถ้าคิดผิดทำออกมาก็ผิดพูดออกไปก็ผิดว่าอะไรเพราะต้นตอมันมันไม่ถูกถ้าว่าต้นตอเป็นสัมมาทิฏฐินี่คิดดีแล้วทุกสิ่งทุกอยาก่างกันกรองด้วยเหตุได้ผลจากนั้นก็การกรอก้ามาหาใจอีกชำระใจตัวเองอีกใจก็หมดจดจากกิเลส ราคามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโทสะมันเกิดขึ้นมาอย่างไรความโลภเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีเหตุมีผลสิ่งเหล่านี้พวกเราพุทธศาสนิกนชนนะช่วยช่วยกันรื่ว่าไม่ใช่ช่วยต้องตรวจตราดูตนเองเสมอเสมอถ้าวว่าพวกเราตรวจตราดูตนเองเสมอไปอยู่นสถานที่ใดถึงจะอยู่มากอยู่น้อยอยู่ตามลําพังมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นถุนหน้ากันนะ วันนี้ก็ให้แนวความคิดกับพวกเราพุทธศาสนิกชนสทายาิโยมลูกหลานทุกคนเพราะพวกเราเป็นพุทธบริษัทนะรับพรอโมโธตนาให้พร